ฉันน้ําด้วยกันแล้วก็แยกย้ายกันไปภาวนานะคือสองคนก็ต้องมีกฎ ก, กฎกติกาละ่ะถ้าอยู่คนเดียวจะทํำยังไงก็ได้บินธบาตรเวลาไหนก็ได้จะไปที่ไหนก็ได้เพราะคนเดียวถ้ามีสองคนขึ้นไปต้องมีกฎถ้ามีสามคนก็กฏก็เข้มงวดขึ้นอีกอย่าให้ผิดพลาดกัน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 ศาสตาเป็นศาจดาแทนเราพระพุทธองค์ไม่ได้ตรัสไม่ได้บอกกล่าวอย่างนั้นท่านว่าให้ทารรและวินยัยเป็นศาสดาของพวกเราท่านทั้งหลายเพราะทาวินยยัยในท่านวางไว้แล้วนะมาตรฐานนะเป็นของตายตัวเป็นของที่มั่นคงแต่ถ้าว่าให้พระเถ ร, ระองค์ใดองค์นึงเป็นประธานเนี่ย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 แต่เอาชนะคนอื่นฆ่าคนอื่นเอาด้วยปัญญาของตนเองอันนั้นเป็นหนทางแห่งความชิบหายบาปหนักเหมือนกันเพราะเราใช้ปัญญานะียเพราะฉะนั้นปัญญานี่ยก็เป็นพิษเป็นดาบสองคมเหมือนกันนะถ้าใช้ไปนในทางดีก็เลิศประเสริฐนะทางแล้ใช้เป็นทางชั่วนี่ก็เออไม่เลวไม่เช่นน้อยอีกเหมือนกัน เ, เพราะฉนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ย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 ใจของตนเองให้พ้นจากทุกข์ในวัฏฏะสงสารไม่มาเวียนว่ายตายเกิดเห็นโทษในวัฏฏะสงสา ร, รนี่แหละคืออันนี้แหละคือสัมมาทิฐิในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าเพะพขอะให้พวกเราทุกๆท่านนะแต่ถึงอย่างไงหลวงพ่อเองพวกเราเป็นลูกศิษย์เป็นคณะศิษยานุศิษยพักกรรมฐานพักกรรมฐานพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มั่น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 ยานชาญด้วยความรู้เหาะเหินเดินฟ้าได้ดำดินบินบนได้มีอิทธิฤทธิออ น, นั้นไม่เหมือนกันมีบารมีต่าง ก, กันในจุดนั้นนี่แหละขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านยืนยันมีที่ไปที่มาทั้งหมดนะต่อ น, นี้ไปพระสงฆ์เจ้าหนุนมูนาให้พรรับพร